ตอนสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตวันที่12มีนาคม2560กาบนำ้ำมัสการพระคุณเจ้าสามเณรคุณไมชีกัลยาณมิตรทุกท่านนั่งสบายๆเนาะก็เมื่อวานกับวันนี้นะพอกู ก, ก็มีโอกาสไปทานข้าวกับสมาชิกในครอบครัวเมื่อวานไปกับไมชีมัธยมนะ วันนี้ก็ไปกับไม่ชีปฐมพรุ่งนี้ถึงคิวสามเณร น, นะก็ถ้าไม่ติดอะไรจริงๆก็อย่างน้อยเทอมละครั้งหรือสองครั้งก็ก่อนเปิดเทอมก็ดูมีจังหวะหรือเปล่าทำไมพวกคูต้องทำอย่างแบบนั้นนะก็สองวันนี้ก็ได้คุยกับไม่ชีนะ ทำไมพระครูถึงมาทําแบบนี้กับพวกเราพวกเราเป็นญาติโกโหติกากับพระครูมาจากไหนนะคำว่าญาติธรรมคําว่าญาติธรรมนะก็สองอาทิตย์ก่อนพระครูมาจากกรุงเทพนั่งเครื่องบินมาจากหมอกับกรุงเทพกับหมอเป่าหมอยาแล้วบังเอิญญาติญาติพระครูเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นน้องสาวเนี่ยเขาเสียชีวิต คือแม่เขาเนี่ยเป็นน้องสาวของพ่อนะแม่เขาเสียอายุตั้งแต่เสียชีวิตตั้งแต่พวกเขายังเด็กมีพี่น้องหกคนแล้วคนนี้เป็นพี่สาวคนโตเขาไม่แต่งงานเขาก็เลี้ยงดูน้องๆจนเติบใหญ่แล้วน้องทุกคนก็เป็นเศรษฐีพวกครูก็ลงจากเครื่องก็ไปวัดที่ตั้งศพไปถึงประมาณสิบโมง เดี๋ยวสิบโมงครึ่งสิบเอดโมงเขาก็มาเลี้ยงพระกันไม่มีแม้แต่หนึ่งคนอยู่หน้าศพคนในเมืองนะเขาก็ไปฝากที่วัดพอถึงเวลาก็เลี้ยงพระนะคุณหมอยาเนื่องจากคุณพ่อเขามาทำพิธีเผาศพที่นี่9ก้าวัน เขาเห็นคนในศูนย์เนี่ยไม่มีเแม้แต่หนึ่งนาทีนี่ว่างเว้นจากการดูแลงานศพแกเป่งขึ้นมาเลยรู้แล้วว่าคำว่าญาติธรรมกับญาติสมมุติมันคืออะไรขนาดน้องคนนี้นะ่ะเขาเสียสละชีวิตเขาไม่แต่งงานดูแลน้องมาตลอดนะคนทุกวันนี้เป็นแบบนี้ล่ะก็มาย้อนมาถึงเรื่องเรา พ่อคูอยู่บังเอิญสองสามวันก่อนอยู่เดินปุ๊บขาก็เป๋นะแต่บังเอิญได้ลั่นว่าจานัดเรียบร้อยทุกอย่างแล้วพราครูบอกปุ๊บขาขาดก็ต้องไปนะฮะแต่ถ้าร่างกายส่วนอื่นเป็นอะไรแต่าขาเดินได้เนี่ยพ่อครูไม่เคยถอยเลยแต่ตอนนี้ก็ยังไม่ถอยนะก็ขับรถขาขวาเนขาซ้ายก็ยังพักแต่บังเอิญว่าบางโปรแกรมต้องเดินลงไปตรงน้งําโขงนั่งเรือแล้วก็ต้องไป ขึ้นไปเนี่ยพอ ก, กูก็บอกพวกเราไปนวาดพาไปพอ ก, กูก็นั่งนั่งหล่อข้างบนมันเป็นความสําคัญมากสําหรับครอบครัวหนึ่งการใส่ใจการดูแลนะเราต้องไปเที่ยวด้วยกันไปกินข้าวด้วยกันนะแล้วก็ไปคุยกันอ่ะทุกคนมีปัญหาอะไรไหมนะก็คุยกับเด็กๆว่าทุกคนอย่าทําตัวเป็นกาฝาก เรามาศูนย์นี่ไม่ใช่แค่มาอยู่โรงเรียนประจํามาเรียนหรือแคออ่มาปฏิบัติธรรมส่วนคนเจ้าติธรรมที่มาปฏิบัติธรรมเนี่ยเหมือนเขาเป็นแขกเราต้องช่วยกันดูแลเรามาใช้ชีวิตที่นี่ไม่ใช่มาทํางานหรือไม่ใช่มาเรียนหรือไม่ใช่แค่มาปฏิบัติถ้าคนอยู่ยาวๆนะทีนี้บังเอิญว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ย มันเป็นเนื่องด้วยมีคาถามพะครูคําถามหนึ่งวันนี้ทำไมคนปฏิบัติทำมาอยู่ดีๆเป็นเวลาหลายปีก็หลุดออกไปนะ๋ย่ว่าหลายปีนะตลอดชีวิตเลยอย่าหลุดไปครูบาอาจารย์บวชสามสปัษาก็หลุดออกไปแต่งงานเป็นเรื่องปกติแต่เดี๋ยวให้เล่าให้ฟังว่าสาเหตุของการหลุดมีอะไรบ้างก็สำคัญว่าทำไมอย่าทาตัวเป็นกาฝาก ศูนย์พลรานคอยเนี่ยเหมือนต้นไม้ใหญ่นะกาฝากเนี่ยเนี่ยอยู่ที่หน้าศูนย์ก็มีไอ้ต้นกาฝากหรือว่าเขาเรียกว่าต้นกล้วยไม้ที่เขาเอาไปกาะไปฝากไว้กับต้นไม้มันก็ดูดซับอาหารจากต้นไม้ถ้าต้นไม้ตายมันก็ตายด้วยแต่มันไม่มีส่วนช่วยเหลือต้นแม่เลยมันเป็นแค่กาฝากบางคนมาอดทนเลียนเพื่อแค่อนาคต แล้วช่วงที่อดทนนี้ก็ทุกไปด้วยนะหงุดหงิดเบื่อเพราะเราไม่ได้ยินดีกับสิ่งที่เราอยู่ไม่ยินดีสิ่งที่เราเป็นไม่ศรัทธากับสิ่งที่เรากาลังดาเนินอยู่ทุกคนต้องเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้เป็นเปลือกเป็นกระพี้เป็นแก่นเป็นใบไม้เป็นกิ่งไม้เป็นลากแก้วเป็นลากฝอยนะเพราะมันเป็นของเรา เราจะมีความภาคภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของการเลี้ยงต้นไม้ตรงนี้ให้เติบใหญ่อย่าง น, น้อยก็ให้ร่มไม้โดยเฉพาะวันนี้ก็ถามเด็กๆว่าทําไมต้นโพกับต้นไซเนี่ยคนเขาไม่ตัดพี่สวัสดิ์ตอบว่าเพราะเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ใช่เราเป็นชาวพุทธเรารู้แต่คนต่างาศาสนาเขาไม่รู้แต่ทําไมเขาไม่ตัด เพราะต้นไม้สองประเภทนี้เนี่ยมันไปทําประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเอาไปเผาฐานก็มีแต่ควันแล้วกิ่งเขานี่เลี้ยวไปเลี้ยวมาไม่ตรงไปเรื่อยไปทาอะไรก็ไม่ได้เขาถึงอยู่มาจนถึงวันนี้แน่นอนพวกเราชาวพุทธเรารู้ว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมในสัตรตรัสรู้ธรรมอยู่ใต้ต้นโพเราก็ถือว่าเป็นนนไม้ศักดิ์สิทธิ์เรากล่าวไหวซะอีกนะะ แต่คนชาติอื่นเขาไม่รู้เห็นไมถ้าต้นไม้ที่คิดว่าตัวเองเนี่ยเก่งสวยงามบุน่หะจะถูกเขาตัดมต้นโพต้นไซไม่มีคนตัดนะเขาก็เป็นร่มโพรโ่มไซมาจนถึงทุกวันนี้สูนนี้ก็เปรียบเสมือนต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งนะถ้าทุกคนมีความรู้สึกว่ามีส่วนร่วมนะ อย่างตอนนี้เราทําเศรษฐกิจพอเพียงเห็นไหมทั้งไปคุนเจ้าสามเณรคุณแม่ชีอาติธรรมหลายคนก็ลงมือไปนั่นแนะนั่นคือความภาคภูมิใจเราเป็นส่วนหนึ่งของต้นไม้นี้ไม่ใช่อยู่ห่งหางๆแปลกๆคนที่อยู่ห่งหางๆอยู่กี่ปีก็ช่างสุดท้ายก็ต้องหลุดเพราะเขาไม่มีความพึงพอใจกับสิ่งที่เขาอยู่เขาเป็นแล้วก็มองมีแต่ไปนั่งมองมองแต่จับถูกจับผิดอันนั้นก็หักถูนยัตา นะแทนที่จะมาช่วยกันดูเออต้อนไม้ต้นนี้มันมีมอดมีปวกอะไรเราต้องป้องกันยังไงไอลักษณะคือส่วนมากก็เป็นคนที่ให้ไม่ได้เอาตัวเองเป็นที่ตั้งนะก็วันแรกเราก็มุ่งไปวัดที่วัดป่าเป้าหมายก็คือนวาดก็เตรียม กวยเตียมอะไรเนี่ยจะไปทําบุญเลี้ยงเพื่อนๆนเราคือลิงวันแรกเราไปเช้าเกินไปไม่มีลิงแต่ตัวหนึ่งพวกคูก็สทรวงเอ๊ะเขากําจัดหรือเขาจัดระเบียบลิงอะไรเหลือหายนนั้บังเอิญไปอยู่ที่แพรนั้นบังเอิญว่าหลวงพ่อท่านอยู่พอดีท่านกําลังฉันเช้านะก็มีโอกาสสนทนากับท่านสักพักหนึ่ง พ่อหลวงพ่อวัดป่าตรงนี้ยี่สบกว่าปีก่อนพวกครูเคยนิมนต์ท่านมาที่นี่ตอนนั้นเราเป็นเจ้าภาพบวชพระถวายสมเด็จย่าหนึ่งร้อยสบเดูปท่านก็จำได้ทีนี้พอเสร็จแล้วก็ออกมาปุ๊บลิงเต็มเลยพวกครูถึงรู้ว่าอ้อลิงเขารู้เวล่าเขารู้กาละเทศะเขาต้องรองให้หลวงพ่อฉันเสร็จก่อนเขาถึงลงมาหากิน คงเป็นที่น่่อนอ่ะพอพระท่านบินธบา่าท่านฉันเจ็จอาเศธอาหารเหลือเนี่ยท่านก็ไปเลี้ยงลิงที่นี้เราก็ได้ประสบการณ์ไงพราะวันนี้เราก็เปลี่ยนใหม่ออกไปเช้าหน่อยจะไปวัดศรลินทรก่อนแล้วไปประชุมที่น่่นก่อนได้ไหมก็รอสักพักหนึ่งสายสายพรากูร อ, อกเกือบสิบโมงแล้วก็ไปวัดป่าลิงมารอเราเต็มเลยลิงมันยังรู้กาลเทศะนะมันยังรู้เวลเวลา และบังเอิญวันนี้ประชุมกันก็เลยเลืมเตือนนะลืมเตือนไม่ชีปฐมเราเมื่อวานนี้เตือนไม่ชีมัธยมแล้วเพราะว่าช่วงหลังนี่เราไปทุ่มเทไปทาเศรษฐกิจพอเพียงทาการเกษตรบางทีลูกติดพันจนเราลืมมาทำวัดเย็นเรื่องนี้ก็เตือนวันนี้เตือนทุกคนนะโดยเฉพาะเราอยู่ที่นี่เราเป็นนักบวชแล้วเนี่ยงานหลักของเราคือทิ้งไม่ได้คือทำวัดเย็น ตอนนี้เราทํ า, าวัดเช้าเนื่องจากพระคุณเจ้าท่านก็ทําแต่พวกเราเนื่องจากว่าเด็กๆต้องไปโรงเรียนโอเคเราเราเรานั่นแต่ว่าทําวัดเย็นเนี่ยไม่จําเป็นอย่าขาดเนาะอันนี้ฝากนะ จ, จ, จ, จัดเวลาใหม่ถ้าเราไปทุ่มเทให้โลกิยะมากเกินไปเนี่ยแล้วเราทิ้งศาสนาเดี๋ยวเราจะถูกมันดึงไปเหมือนคนที่เขาหลุดออกไปนะงานทุกอย่างสําคัญหมดทํามาเลี้ยงชีพก็สําคัญ นะทุกอย่างสําคัญงานทําวัดเย็นก็สําคัญสําหรับนักบวชมันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งเราต้องจันลงไว้อันนี้ก็ใช้โอกาสนี้เตือนเพราะที่ผ่านมาเนี่ยบางทีลูกติดพันธุ์พราะครูเองก็ไปติดพันดูให้ดูปนิกเป็นของใหม่ๆเป็นสิ่งใหม่ต้องช่วยกันดูแลนะแต่ว่าจากนี้ไปมันก็พอเพียงละจัดเวลาใหม่ทําเท่าที่ทําได้ อย่าไปทุ่มเทงานลองจนทิ้งงานงานหลักนะให้เข้าใจกันนะก็ช่วงทำวัดเย็นให้พร้อมหน้าพร้อมตาทีนี้ญาติธรรมที่ ท, ท่านเดินทางไปเดินทานมานะบางท่านเขาชอบมาทาวัดเย็นมาสวดมนต์จะได้พร้อมหน้าพร้อมตากันอันนี้ ก, ก, ก, ก็ก็เตือนเนาะจัดใหม่นะจัดใหม่นะก็ เมื่อวานมีโอกาสไปพบหลวงพ่อนะแล้วก็ลื้อฝื้นเรื่องเกา่าท่านจำได้นะตอนนี้ท่านก็อายุด75าพ่อครูมาอยู่ที่ที่ที่นี่ตอนนั้นจเจ้าวาดวัดนี้เนี่เป็นชาวออสเตรเลียนะแล้วสุดท้าท่านก็ศึกนะท่านก็ศึกไปแต่งงานแล้วหลวงพ่อรูปนี้ก็มาแทน พ่อครูมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่อําเภอศรินทรยังไม่ตั้งอําเภออยู่สองปีแล้วค่อยตั้งนะก็คุยกับหลวงพ่อก็นิ ม, มนต์ให้ท่านให้อวาตท่านก็เห็นไม่ชี้นะวัยวัยรุ่นท่านก็พูดถึงเรื่องครอบครัวนะท่านพูดเป็นภาษาอีสานเราครอบครัวครอบคืออะไร ถูกครอบไว้ครอบครัวคือครอบนี่ถูกครอบไว้ให้นะครอบคุมอิสรภาพของเราต่อไปนี้เราไม่ใช่ตัวเองแล้วมาถูกครอบไว้แล้วครัวท่านก็แปลว่าคนอีสานคือขั้วขั่วปลาขั้วเหมือนเราฆ่าปลานะนะแล้วเราครัวเกตมัน คือจิ้มแทงคําว่าครอบครัวคือถูกโขกศัพจิ้มแทงแล้วก็ไม่อิสระแต่ทุกคนชอบสร้างครอบครัวที่ท่านพูดอย่างนี้เพราะเห็นพวกเราเนี่เป็นนักบวชท่านก็ให้สตินะทีนี้พอจะสร้างครอบครัวเราต้องมีการแต่งงานก่อนการแต่งงานก็มีเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาว หลายท่านคงเคยผ่านประสบการณ์ตรงนั้นทีนี้เจ้าบ่าวไปว่าอะไรท่านแปลงง่ายๆตามภาษาอีสานเ่ า, า่เป็นผู้รับใช้เจ้าที่ยิ่งใหญ่เราปปาวนาตัวว่าจะเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่นี่คือเจ้าบ่าวส่วนเจ้าสาวก็เหมือนกันเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันคือสาวไปอะไรก็สาวเข้าหาตัวเอง สาวใหมยสาวอะไรพวกนี้นะคนโบราณเ็าตั้งชื่อเพื่อเตือนสตินะคุณจะพร้อมเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่หรือไม่ทุกคนยินดีวิ่งเข้าหามันหมดอยากเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวอยากจะไปสร้างครอบครัวนี่คือธรรมะของดั้นนะเนี่ยธรรมะพื้นพื้นความจริงนะ เราชล่าใจอ่โอ้ได้เป็นเจ้าบ่าวแล้วได้เป็นเจ้าสาวแล้วได้เพื่อนเป็นได้เป็นเพื่อนเจ้าบ่าวเป็นเพื่อนเจ้าสาวสันเสเหหากันไปฉลองความเป็นผู้รับใช้ผู้ยิ่งใหญ่ผู้จะถูกครอบคุมความอิสระภาพเราเฉลิมฉลองกันนะ <c oughs> ก็ยี่สิบแปดปีจะเป็นเพื่อนฝูงญาติพี่น้องลูกหลานเขาแต่งงาน เขาก็แจ้งให้พ่อครูทราบโดยมารยาทเขารู้อยู่เลยว่าพ่อครูไม่ได้ไปพ่อครูไปจะไปแสดงความยินดีอะไรก็ได้ก็เหมืนอนโกหกกันแต่พ่อครูไม่ไม่ต่อต้านไม่ขีดกันมันเป็นกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันเนาะไม่ใช่ว่าแต่งงานปุ๊บเป็นเรงไม่ดีถ้ามนุษย์เราไม่แต่งงานระบบเวียนว่ายตายเกิดก็ล่มสลายระบบเผยเผยแพ่เพผ่าพัานธุ์ก็ล่มจม พระอรหันต์ก็ไม่ได้เกิดขึ้นในโลกนี้ต้องบางคนก็ไปทำมาดีแต่ถ้าคนมีบุญเก่านะถ้ารอดพ้นตรงนั้นได้เหรก็ถือว่าเป็นบุญมากนะไม่ใช่ว่าไปขายอิสระภาพก่อนเราค่อยไปเรียกร้องอิสรภาพไปทําลายเสรีของตัวเองแล้วไปเรียกร้องเสรีนะคนโบราณเขาสุดยอดจริงๆเขาตั้งชื่อได้เหมาะเลย แต่เราไม่เข้าใจเราชอบเป็นเจ้าบาวเจ้าแห่งบาวไพ่ก็คืออันนี้ก็เป็นธรรมะเล็กๆน้อยๆซึ่งหลวงพ่อเขาให้เราทีนี้คนเราทุกวันนี้เนี่ยกลัวมากเลยถ้าไม่แต่งงานโดยเฉพาะผู้หญิงเนี่ยถ้าไม่ได้เป็นเจ้าสาวปุ๊บกลัวที่เขาจะเรียกว่าขึ้นขาดกลัวมากเลย บางทีพูดภาษาหยาบๆยาท้องตลาดแล้อีนี่มันขึ้นคานพวกครูก็ถามว่าคุณจะขึ้นคานหรือคุณจะขึ้นเขียงให้เขาโขกสับเนะกลัวจะขึ้นคานก็เลยไปขึ้นเขียงนะก็เลยทูกไปตลอดชีวิตเนี่ยเดี๋ยวลูกไม่พอนะมันโตแล้วมันเมื่อไหร่จะแต่งงานอยากเห็นหลานเงอ้ หลานก็ไม่พออีกทีนีเหรนอีกเนี่ยสาวสาวสาวสาวเป็นเจ้าสาวไงสาวเขาหาตัวเองเนาะโอเคนะอันนี้เป็นธรรมะซึ่งหลวงพ่อท่านให้เราก็เลือกเอาเองใครจะเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวก็นิมนต์ใครจะขึ้นคารหรือขึ้นเขียงก็เลือกเอาทีนี้ก็มีคำถามหนึ่งที่บอกว่ามันมันเนื่องด้วยที่ที่จะพูดวันนี้ก็คือว่าทำไมการเดินทางธรรม เห็นหลายคนเดินมาดีๆก็หลุดออกไปหรือบางคนก้าวหน้าช้ามากเป็นเพราะเหตุใดอันนี้ดีมากนะทีนี้ถ้าถ้าพระครูพูดก็เป็นธรรมะแต่ธรรมะแบบนี้บางทีคนเขาบอกไม่มีที่อ้างอิง นะมันต้องเอาหลักวิชาการที่ต้องอ้างเิงนักวิชาการทุกวันนี้นะบางทีก็ต้องใช้ปริยัติมาพูดให้ฟังแต่ถ้าเป็นปริยัติปุ๊บม่เพราะครูจะไม่แปลนะก็เพื่ยกปริยัติตรงนี้เนี่ยมาให้เราเข้าใจตรงนี้เท่าเหรเราจะเข้าใจเองว่ามันคืออะไรอะไรที่ทําให้เราเนี่ยปฏิบัติมาดีๆให้เดี๋ยวเบื่อเว้ยเดี๋ยวเซงเว้ยเดี๋ยวเศร้าเว้ยนะเดี๋ยวสงสัยให้มันใช่หรือเปล่าวะ ปฏิบัติมาตั้งนานแล้วมันไม่ไปไหนนะบางคนก็ไปติดสภาว่าเฮ้ยฉันมารู้งทำแล้วฉันไม่ต้องปฏิบัติหรอกก็จบแล้วอะไรเนี่ยนะก็รวมอยู่ที่พ่อครูก็ตอบอย่างนี้นะไอ้อเรื่องนี้พ่อครูจำได้ว่าหลายปีก่อนเคยพูดเรื่องนี้แล้วนะถ้าไม่จำเป็นจริงๆก็ไม่ชอบยกหลักวิชาการหรือปริยัตมากล่าวแต่ถ้าไม่ยกมาก็เกิดข้อกังขาว่าใช่หรือไม่ เป็นพุทธหรือเปล่าแต่ถึงจะยกหลักวิชาการมาพูดบางครั้งถ้ามีทิฏฐิมรณนะก็ไม่เชื่ออยู่ดีเช่นปัจจุบันเนี่ยสังคมพุทธศาสนาบ้านเมืองเราเนี่ยข้างนอกเนี่ยที่กำลังแตกแยกกันอยู่ฝ่ายหนึ่งบอกว่าอีกฝ่ายนีย่สอนผิดไม่ใช่พุทธศาสนาแท้ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาว่าสอนผิด ก็บอกว่าเขามีด็อกเตอร์ทางศาสนาเยอะที่สุดในประเทศไทยเขามีมหาป ร, ริญญาเก้ามากที่สุดทุกปีสอบได้เยอะที่สุดเขาส่งพระเนนเรียนเยอะแยะเลยเนาะพูดกันไปพูดกันมาก็ยังไม่มีบทสรุปว่าแล้วพุทธแท้มันเป็นยังไงก็ไม่ต่างกับหลายปีก่อนที่พ่อครูเคยมากล่าวว่าฝ่ายหนึ่งบอกว่านี่พ่านไปว่าอัตตา ฝ่ายหนึ่งบอกนิพานเป็นอนัตตาคนหนึ่งบอกมีตัวตนคนหนึ่งบอกไม่ใช่ตัวตนคนหนึ่งบอกเลี้ยวซ้ายคนบงบอกเลี้ยวขวาต่างคนต่างจบด็อกเติ์เหมือนกันแปลนิพานไม่เหมือนกันนั่นแหละทะเลาะกันทุกวันนี้จนศาสนาแตกแยกกันไปหมดแล้วถามว่าใครถูกใครผิดถ้าถามพระครูนะทะเลาะกันคือผิดผิดใจกันก็คือผิด คุณจะถูกก็ช่างเขาจะผิดก็ช่างถ้าคุณทะเลาะ ก, กันก็คือผิดนะผู้ทีเจ้าไม่ได้สอนให้ทะเลาะ ก, กันมีอะไรก็ต้องให้อภัยทานถ้อยทีถ้อยอาศัยมีอะไรก็นั่งถกกันอันเนี้ยจับผิดกันจะเอาห้ามหันกันจะฆ่ากันฝ่างเดียวนะแล้วแล้วอย่างนี้เรียกว่าพูดได้ไหมไม่มีเมตตาก็ก่อนอื่นที่พ่อคูจะเข้าไปเนื้อหาว่า ทำไมเดินมาอยู่ดีๆก็หลุดออกไปเนี่ยนะเราต้องรู้ก่อนว่าสิ่งกั้นบางทางเดินของจิตคืออะไรนะถ้าในทางวิชาการทางปริยัติแล้วเขาตอบเลยคืนไอ้ตัวนิวรณนิวรนะภาษาง่ายๆคือนิวรณคือสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตแล้วมันมีอะไรบ้างนะ คนไหนฟังก็ฟังหลักๆใหญ่นะไม่ต้องไปจำไม่ภาษาไอไอเป็นวิชาการนะแต่บางท่านนี่เนื่องจากเรียนวิชาการมาแล้วโอเคมาแลกเปลี่ยนนะจริงๆแล้วถ้าเราต้องการมุ่งพ้นทุกอย่างเดียวนี่วิชาการก็รู้แค่ข้าวแต่ตอนนี้ก็ถือโอกาสคนที่เขาศึกษาวิชาการเขาก็จะได้มีที่เปรียบเทียบนะนิวรคือเครื่องกัน ใช้หมายถึงธรรมซึ่งเป็นเครื่องปิดกัน้นหรือขัดขวางไม่ให้บรรลุความดีไม่เปิดโอกาสให้ทาความดีและเป็นเครื่องกั้นไม่ให้เข้าถึงจิตอันนี้คือแปลง่ายๆวิชาการเขาแปลอย่างนี้นิวรเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้ผู้ปฏิบัติบรรลุธรรมไม่ได้หรือทำให้เลิกล้มความตั้งใจปฏิบัติต่อไปนี่ชัดเจนนะ อันนี้ก็คือทำตอบว่าเดินมาดีดีปุ๊บทำไมถอยนะทีนี้นิวรมีห้าอย่างคือมีห้าอย่างคือนะทีนี้ไ อ, ไ, อไอเรียบเรียงข้อหนึ่งถึงข้อ5นี่บางตำราเนี่ยพ่อครูอ่านหนังสือออกพวกครูก็เปิดได้บางตำราก็เอาตัวนี้ขึ้นก่อนบางตำราตรงนี้ขึ้นก่อนมันไม่มีสูตรสาเร็จนะแต่อันไหนขึ้นก่อนขึ้นหลังไม่สำคัญสำคัญเนื้อหาสาระมันส่วนวันนี้จะเอามาพูดเนี่ย ตำรานี้เนี่ยเขาเอาข้อที่หนึ่งเอากามมะฉันทะนี่ขึ้นมาก่อนกามมะฉันทะคือความพึงพอใจในกามนะกามความการมาลาคะคือพอใจในรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสคนติดสุขสบายจะให้มันปฏิบัติทุกทรมานอันนี้คือขวางกัน้นมันอดทนไม่ได้อันนี้คือกา ม, มะ ฉันทะพอใจติดใจอยู่ในสิ่งที่ชอบใจคือติดสุขนะติดกามราคะคือติดในรูปในรสในกลิ่นในเสียงและสัมผัสร้อนเกินไปก็มักอ้างว่าเย็นเกินไปก็มักอ้างว่านะหวาเวยเกินไปก็มักอ้างว่า พวกติดสุขเขาจะมีเงื่อนไขพวกนี้ไอ้เงื่อนไขพวกนี้ทำให้เขาเนี่ยผ่านไปไม่ได้อันนี้คือกามมชันทะอันที่สองคือพยาบาทจิตใจซึ่งคิดร้ายผู้อื่นคือมีความโกรธและอาฆาตอยู่กับใครก็ไม่ได้เห็นหน้าปุ๊บกูก็ฉุนกูก็เบื่อกูจะฆ่ามึงคือคนพวกนี้ไม่มีเมตตามีจิตพยาบาท อารมณ์ตัวนี้แหละเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตอีกอย่างหนึง่งอันที่สเนี่ยภาษาวิชาการเขาเรียกว่าถินมิทะมีความหดหู่ท้อแท้เครือบเทมเศร้าซึมนะหลายคนเคยเจออารมณ์อารมณ์นี้แล้วปฏิบัติปฏิมาได้อารมณ์นี้มันผุดขึ้นมามันผุดขึ้นมาเพราะมันจะขวางกั้นทางเดินของจิตมันจะทำให้เราหยุดเดิน นะเราปฏิบัติมาหลายคนสัมผัสอารมณ์นี้อยู่แล้วข้อที่สี่อุททัะกุจจะมีความฟุง้งซ่านอึดอัดกลัดกลุ่มวิตกกังวลและลำคาญใจนะทำให้จิตเราไม่สงบนะมันเป็นสิ่งขวางกั้นทางเดินของจิตนะทุกคนดูตัวเองกันแล้วกันสิ่งนี้มีไหม ส่วนมากมีแล้วก็ไปอ้างโน่นอ้างโน่นอ้างโน่นอ้างนี่นะคนที่มันมีตรงนี้เนี่ยมันไม่เคยเห็นตัวเองมันก็อ้างอ้างอ้างอ้างแล้วสุดท้ายตัวเองก็เดินต่อไปไม่ได้ข้อที่หวิจิกิจฉามีความลังเลใจลังเลสงสัยตัดสินใจไม่ได้สงสัยกังวลเบื่อเบื่ออยากอยากไปดีหรือเปล่าวะมันใช่หรือเปล่าวะนี่แหละมีห้าข้อนี่คือ อุปสรรคในการเดินทางของจิตเรามีหน้าที่สำรวจตัวเองนะทีนี้วิธีสำรวจตัวเองพระพุทธองค์ยิ่งใหญ่เพราะคูถึงถวายชีวิตไงไม่ใช่ไปรู้ไปเห็นจเฉย่รู้วิธีแก้ด้วยนะไม่ได้เรื่องซับซ้อนอะไรเนี่ยทีนี้การกำจัดนิวร์เนี่ยต้องใช้พลังของฌานทีนี้ฌานเกิดขึ้นจากสมาธิ ฌานเกิดขึ้นจากสมาธิทีนี้เรามาคาความเข้าใจคําว่าฌานคืออะไรนะหลายคนนั่งที่นี่ผ่านมาหมดแล้วฌานเป็นแค่ระดับสัมมาถากรรมฐานในระดบับสมาธินะฌานแบ่งเป็นสองอย่างคือสองอย่างใหญ่ๆคือหนึ่งลูก ป, ประฌานสองอัลูกประฌานนะแบ่งเป็นสองอย่างรูก ป, ประฌานกับอัลูประฌาน ทีนี้รูปฌานคือการเพ่งรูปประรรมเป็นอารมณ์เขาแบ่งเป็นมีสี่ระดับนะตามอารมณ์ที่ปราณีตขึ้นไปตามลําดับขั้นต้นคือหนึ่งปฐมฌานปฐมคือฌานเบื้องต้นนะอันที่สองคือทุติยฌานอันที่สามตติยฌานอันที่สี่จตุทฌานนะเข้าๆ เข้าๆไม่ต้องไปจามันนะ mm hmm. เขาเรียกว่าฌานสี่มันมีสี่ขั้นทีนี้อรูปฌานคืออะไรคือการเพ่งอรูปธรรมเป็นอารมณ์มีสี่ระดับเหมือนกันนะคืออากาสานันจายตนะฌานอันที่สองวิญญาณ น, นันจายตนะฌานอันที่สมอาจินจัญญาตนะฌาน อันที่สี่เนวสัญญานาสัญญาตนะชาญ น, นะเรียกการที่ผู้ได้ฌานนั่งสงบจิตเพ่งอารมณ์นิ่งแน่วแน่สงบนิ่งชั่วว่าเราเข้าฌานได้เขาเรียกว่าเข้าฌานไม่ใช่เรื่องผิดนะนี่คือการเข้าฌานพลังฌานตัวนี้เนี่ยจะทาให้เราผ่านนิวรณ์เหล่านั้นได้ ทำให้เราผ่านนิวรณ์เหล่านั้นได้แต่ถ้าไปหลงฌานเมื่อไหร่ไปติดสุขในฌานปุ๊บก็แป๊กอยู่ตรงนั้นในเวลานั้นสงบบางคยหลงเลยว่าฉันบรรลุธรรมแล้วนิวรณนต่างๆเล่นงานอะไรฉันไม่ได้นะอันนี้หลงสภาวะซึ่งเรียกว่าฌานแต่ฌานไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องไม่มีประโยชน์ติดอะไรก็คือเป็นสิ่งที่ไม่ดีหมด ติดสุขในฌานก็คือไม่ดีมันสุขมากไงเพราะมันสงบมากเลยอารมณ์นิวรลบกวนเราไม่ได้เห็นหมถ้าเราติดสุขในฌานเนี่ยเราก็อยู่ตรงนั้นปัญญาไม่เกิดนะทีนี้ตามต่อไปนะองค์ห้าประการของฌานนะเมื่อกี้นี้ฌานแยกเป็นสองอย่างลูร ป, ประฌานกับอรู ป, ประฌานและตอนนี้เนี่ย มันแบ่งเป็นองค์ห้าประการของฌานคือหนึ่งวิตกสองวิจารส์ 3. ปิติสสุข 5. เอกคตานะเป็น5องค์แล้วพระครูจะจะพูดสั้นๆให้รู้ว่าแต่ละองค์มันคืออะไรเนี่ยองค์แรกคือหนึ่งวิตกองฌานเนี่ยหมายถึงความตรึ ก, รกมีสติกำหนดแน่วแน่ อยู่ในอารมณ์ที่ไม่มีความหมายคือไม่พิจารณาหาเหตุผลในธรรมในอารมณ์ใดๆอารมณ์หนึ่งเท่านั้นก็เหมือนที่รู้เฉยๆนะอันนี้เรียกว่าวิตกองค์ฌานอันที่สองคือวิจารวิจารณ์คือจิตที่ต้องเคล้าเคลียอยู่กับอารมณ์นั้นๆยกตัวอย่างนะเวลาเราเข้าไปในอารมณ์นั้นเราไล่ล้ำกับมันเขาเคลียกับมันนะ อยู่กับอารมณ์นั้นๆด้วยอานาจสัมปชัญญะมีสติรู้ตัวทั่วพร้อมอยู่กับการเคลื่อนไหวตรงนั้นนะความรู้ตัวอยู่ไปมาอย่างทั่วถึงไม่ออกห่างจากอารมณ์นั้นอันนี้เรียกว่าวิจารส่วนข้อสมปิติคือในขณะที่บริกรรมจะเกิดความทราบสัน้นอิ่มเอิบใจอย่างใดอย่างหนึ่ง ในขณะนี้เองจะเริ่มรู้สึกว่าร่างกายเบาสบายไปทั่วตัวไม่รู้สึกติดขัดหรืออึดอัดความเร่าร้อนในร่างกายสงบลงจนรู้สึกว่าไม่มีอะไรเลยลมหายใจค่อยๆเบาละเอียดขึ้นคล้ายกับว่าไม่ได้หายใจประสาทไม่ตื่นเต้นหรือหวั่นไหวนะคงอยู่แต่ความสบาย แห่งร่างกายและจิตใจเท่านั้นอันนี้เรียกว่าปิติหลายคนสัมผัสตัวนั้นมาแล้วนะทีนี้ข้อที่สสุขคือความปลอดโปร่งใจเป็นสุขเกิดพร้อมกับปิติอย่างแนบแน่นรู้สึกเป็นสุขโดยไม่มีเจตนาหรือแซงทำให้เกิดเมื่อมีการควบคุม ความรู้สึกว่าเป็นสุขนี้เห็นไหมสัมมาทักรรมฐานยังมีการควบคุมรักษาอารมณ์สุขนั้นอยู่นะเป็นไปอย่างสม่าเสมอด้วยดีจนปรากฏชัดว่าจิตได้อยู่ในอารมณ์อันเดียวไม่ไม่ซัดสายวันไว้อีกต่อไปแล้วก็ถึงขั้นเอกคตาจิตอย่างเต็มเปี่ยมและมั่นคงอยู่ตลอดไปนะอันนี้ข้อสี่คือสุข ทีนี้ข้อห้าตัวสุดท้ายคือเอกคตานะที่เราเรียกว่าเอกคตาลมนะมันคือความเป็นหนึ่งของจิตในขณะนั้นหรือในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งพึงเข้าใจว่าในขณะนี้วิตกวิจารปิติสุขเอกคตาได้กลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะและพร้อมกันอยู่ตลอดเวลา ที่มั่นอยู่ในสมาธิไม่มีสิ่งอื่นเข้ามาแทรกแซงจนกระทั่งถึงเวลาออกจากสมาธินะอันนี้เรียกว่าเอกขตาลมเรืออารมณ์เดียวคืออารมณ์ความสงบนะทั้ง4องค์เป็นหนึ่งเดียวไม่ได้แยกแยะนะเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยนะทีนี้การเข้าฌานจะต้องประกอบด้วยองค์หประการดังกล่าวแล้วเสมอไปองค์หประการต้องเจริญขึ้นเป็นลำดับ เมื่อถึงเอกคตาแล้วคือความแน่วแน่บริสุทธิ์ของจิตเป็นหนึ่งความรู้ของจิตที่บริสุทธิ์นั้นคืออาการอุเบกขาหมายถึงการเพ่งเฉยอยู่เป็นจิตที่ไม่มีวิตกวิจารปิติสุขเจอปนที่เรียกว่าจตุทชาญอันนี้เป็นชาญตัวสุดท้ายนชาญสี่อันนี้คือเป็นตัวสุดท้ายแต่ไม่ใช่จบแค่นี้นะนะ แล้วเขาอธิบายนะจิตรอบแรกที่ประกอบด้วยองค์ห้าประการมีทั้งวิตกวิจารปิติสุขเอกคตาาน่นนะเรียกว่าปฐมฌานเป็นฌานเบื้องต้นแล้วจอกจากนี้เมื่อวิตกวิจารไม่มีนะเราข้ามพ้นวิตกวิจารไปแล้วไม่มีแล้วไม่เกิดในจิตคงเหลือแต่ปิติแล้วก็สุขเอกคตาสามอย่างเป็นอันย่างเข้าสู่ ทุติยยานทุติชาญนะอันนี้เป็นชาญระดับที่สองถ้าสมาธิไม่มีปิติทำลายปิติได้แล้วเราเคยติดนะติดปิติปิติอะไรเนี่ยนะถ้าเราข้ามมันแล้วเนี่ยนะคือละปิติเสียได้ทำความเพ่งเฉยมีสติสัมปชัญญะพร้อมมูลก็จะย่างเข้าสู่ตติยชาญนะตติยชาญ คงเหลือแต่สุขแล้วก็เอกคตาเท่านั้นนะสุขสงบสุขสงบนะอันนี้ก็เป็นแค่ฌานนะมันไม่ใช่เราบรรลุทมขั้นสูงแล้วก็โอเคอันนั้นคืออันนี้ยังติดสุขอยู่ยังมีสุขอยู่ทีนี้ถ้าจิตย่างเข้าสู่ความปกติและเป็นหนึ่งเมื่อไหร่คือมีแต่เอกคตาจิตอย่างเดียว ในขณะนี้เรียกว่าจตุทชาญ น, นะจตุทชาญ น, นี้จัดเป็นสัมมตกรรมฐานอย่างแท้จริงสูงสุดของสั ม, มถกรรมฐานก็คือตัวนี้ต้องได้เอกคตาลมคือข้ามพ้นวิตกวิจารปิติสุไม่มีมีแต่อุเบขาอย่างแท้จริงและเป็นหนทางไปสู่วิปัสสนาเห็นไหมอันนี้เป็นแค่เบื้องต้น เราถึงตรงนี้เราพร้อมที่จะเจริญวิปัสนาะไปสู่วิปัสนากรรมฐานอันเป็นบ่อเกิดปัญญาความรู้แจ้งต่อไปนอกจากดังกล่าวแล้วจตุทชาญก็เป็นฌานที่มีกําลังพอที่จะสร้างอำนาจจิตคือจิตตาพิหารตาพินิหารหรืออภิญญาจิตขึ้นได้ถ้าเราไปจบอยู่แค่ฌานสี่นี่นะเราจะเกิดอภิญญาอภิญญานี้ไม่ใช่เราสร้างมันขึ้นมา อดีตเราสะสมมายาวนานแล้วจะเป็นเรื่องทิพยจักษุหูทิพตาทิพหรืออภิญญาต่างๆมันจะแสดงตัวนะส่วนมากใครฝึกแบบนั่งฌานแล้วเนี่ยมันจะอภิญญาเหล่านี้ถ้าติดอยู่ตรงนั้นก็ไม่พ้นทุกนะอภิญญาเขาก็แยกเป็น8อภิญญา8อันนี้พ่กคูเคยกล่าวมาแล้วนะทั้ง7ข้อแรกนี่เป็นโลกิยะอภิญญามีข้อสุดท้ายเท่านั้นเป็นอาสวะขยายานเนี่ย เป็นอภิญยาที่ทําให้เราพ้นทุกข์อันนั้นก็เคยกล่าวมาแล้วไปเปิดดูก็ได้นะทีนี้ผู้ประสงค์ฝึกฝนอบรมจิตในอรูปฌปานต่อไปต้องกําหนดพิจารณาเพิกถอนดวงกสินทั้งหมดที่เราเพ่งอะไรเนี่ยอย่างเขาเพ่งดวงแก้วดวงอะไรอะไ ร, ะไรต้องข้ามพ้นมันให้หมดนะอันนั้นคือเป็นรูปฌานเฉยๆถ้าใครเราจะฝึกอรูปฌานต่อไปเนี่ยต้องต้องเพิกถอน เขาเรียกว่าดวงกะสินทั้งหมดนะที่เพ่งอยู่นั้นจนเห็นว่าไม่มีรูปอะไรเหลืออยู่อีกเลยเหลือแต่ความว่างเปล่าจึงเรียกว่าอรูปปชานแต่ถ้าเราพอใจแค่นี้ว่างสบายสบายเนี่ยเราตายแล้วก็เกิดในอารูปประพมมันยังไม่สร้างผลทุกแต่มันเป็นพื้นฐานเป็นกำลังที่จะทำให้เราเจริญวิปัสสนาต่อไปได้ทีนี้มาพูดถึงวิปัสสนาสั้น นะวิปาาัสนาญาณเมื่อกี้เราเรียกว่าฌานตอนนี้เรียกว่ายานนะฌานเนี่ยมันมีหลายระดับขัน้นมันเป็นกำลังที่เราฝึกส่วนญาณเนี่ยญาณแปลว่าความรู้คือปรีชาอย่างรู้หรือกำหนดรู้ได้ด้วยอำนาจการบำเพ็ญวิปัสนาเรียกว่าวิชาชอช้างสองตัวนะหรือตัวปัญญา คำว่าญาณในความหมายเฉพาะหมายถึงพระปรีชาอย่างรู้ของพระพุทธเจ้าความรู้แจ้งที่พระพุทธเจ้าตัดสั้เรียกเต็มว่าโพธิญาณหรือสัมมาสัมโพธิญาณมีสามวิธีมีสามอย่างไม่ใช่วิธีมันไม่ใช่วิธีมันมีสามอย่างที่พู้เจ้าตัดสั้นนะข้อที่หนึ่ง บุพเพนิวาสานุสติญาณเนไหมบุพเพนิวาสานุสติญาณความรู้เป็นเหตุให้ระลึกรู้ถึงขันธ์ที่เกิดในอดีตได้คือระลึกชาติได้พวกเราหลายคนไปสัมผัสแล้วถ้าเราเข้าถึงตรงนั้นแสดงว่าเราข้ามฌานสี่ไปเรียบร้อยแล้วถ้าไม่ถึงฌานสี่หรือเอกคตาลมเนี่ยนะเราจะเข้าไปสู่ตรงนี้ไม่ได้นะ อันนี้คือบทเพลนิภสาสศาสตรวิทยาเป็นศาสตร์แรกที่ผู้เจ้าตัดสู้พระองค์ไประลึกถึงอดีตหลายชาติสมัยเป็นพระเวสสันดรเป็นอะไรล่ะพระองค์ก็ไปเห็นเรื่องเวียนว่ายตายเกิดนะเรื่องบาปบุญคุณโทษไม่ใช่เป็นนั่งเทียนคิดเอาเองนะทีนี้วิชาที่สองเนี่ยจตุปาตยานความรู้ในจติและอุบัติของสัตวโลกนะเราโลกได้ คือความรู้ในจุติและอุบัติของสัตว์โลกได้ก็คือรู้เหตุแห่งการเกิดการตายของสัตว์โลกทั้งหมดเรียกว่าทิพยจักขุญาณหรือทิพยจักสุญานคือตาทิพนั่นแหละอันนี้เป็นวิชาที่สองที่พระองค์ตัดสู่สังเกตไหมไม่ใช่เป็นมัวจะฝึกสติฝึกสมาธิน่ะมันมันเข้าไม่ถึงตรงนี้หรอก สมาธิสูงสุดก็คือเขาแค่ฌานสี่นะอันนี้ต้องเจริญวิปัสสนาเราจึงจะเข้าถึงสามอย่างนี้ทีนี้ข้อสุดท้ายนี่สําคัญมากนะข้อสุดท้ายนี้คืออาสะวะขยะยานความรู้ในการกําจัดอาสะวะกิเลสให้สิ้นไปพระ อ, องค์ไปเห็นว่าเราเผลอไปสร้างกรรมมาเป็นหลายแสนหลายล้านชาติมันจะมาจ่ายในชาติเดียวจะทําอย่างไร เนี่ยอันนี้เป็นวิชาที่สามที่พระ อ, องค์ไปรู้ว่าต้นเหตุของการสร้างกรรมคือเรามีอาสะวะกิเลสกิเลสทำให้เกิดตัณหาตัณหาทำให้เกิดอุปทานอุปทานทำให้เกิดทุกข์อุปทานก็ไปสร้างกรรมกรรมก็ส่งผลเราเวียนว่ายตายเกิดพระ อ, องค์ก็ไปตัดสัุ้อาสะวะขย า, ยานคือไปแก้ที่ต้นเหตุคือชาตินี้เราหลงมาเกิดแล้วเนี่ยนะ อาสวัคยานความรู้ในการกาจัดอาสวัเกิยรตก็คือมักมีองแปะนะคือมันไม่ได้สับสนอะไรนะเข้าๆคืออย่างนี้สำคัญว่าเรารู้แล้วเราทำจริงไหมไม่ใช่หยอกยอกอยา ก, ยากถูกนิวรหลอกอย่น้หรอกอ้างโนนอ้างนี้นะอันนั้นก็ไม่ใช่เรื่องผิดนะเป็นเรื่องกรรมใครกรรมมันบุญใครบุญมันเพราะครูมีหน้าที่ชี้ทางเตือนสติเป็นช่วงๆแต่ถ้าเราไม่ตั้งมั่นศรัทธาเนี่ย จิต ม, มันไม่ใส่ใจมันก็ฟังได้ยินก็เหมือนไม่ได้ยินไม่ใช่สักแต่ว่าได้ยินนะไอ้สักแต่ว่าได้ยินเนี่ยเรารู้เรื่องปุ๊บเราก็สักแต่ว่ายังไม่คิดต่อแต่ไอัได้ยินเหมือนไม่ได้ยินเนี่ยก็เหมือนคนหูหนวกนะมันก็ข้ามไม่พ้นนิวรณ์ทุกคนมีนิวรณนะ์นะนิวรณ์มากนิวรณ์น้อยอยู่ที่เราสร้างกรรมบ่มเพาะเราเป็นอย่างไรเราเป็นคนผู้รู้อยากรู้ม า, มากๆเราจะเกิดลังเลสงสัยมากมันก็เป็นกรรมเราไง เด็กๆ เ, เขายังไม่มีอะไรสงสัยมากเขาทําก็ทําเลยเห็นไหมแต่บังเอิญว่าอินทรียพละในความมุ่งมั่นเขาอยากจะทําเขาก็ไม่มีเพราะเขายังไม่ทุกข์ธรรมชาตินี่เขาแยบยนต์มากแต่เราทุกข์แล้วเราเหยียบจากทุกข์แต่เราก็สู้นิวรนเราไม่ได้เพราะเราไม่ตั้งมั่นศรัทธากับสิ่งที่เราทําทําไปอย่างนั้นแหละติดสุขเสพสุขเดี็กก็ไปเที่ยวนู่นะเด็กก็ไปเที่ยวนี่นะพอเที่ยวภพไก่แค่ไหนก็ไป แต่พอเจออุปสรรคในบ้างนิดนึงก็ไม่อดทนอันนี้ไม่ใช่เรื่องถูกเรื่องผิดเป็นเรื่องของกรรมแต่ละบุคคลนะความศรัทธาตั้งมั่นไม่ เ, มเปลี่ยปี่ยมจึงสู้กระแสกรรมมาในรูปของนิวรไม่ได้จึงต้องหลุดออกจากมรรคซึ่งเป็นเรื่องของธรรมดาโลกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมอันนี้เป็นคำตอบในคำถามว่า เดินมาอยู่ดีๆเดินแค่ไหนล่ะอย่า้ากำไรเกินควรนะอุ้ยทำมาแล้วทำมาแล้วทาแค่ไหนล่ะเห็นหมครูบาอาจารย์บวชตั้ง3าดพันษานะทิ้งเวลาหนุ่มทั้งหมดเลยเนี่ยเห็นไมเพอพับเดียวไอก้กมลูกโตๆมาก็หลุดออกไปไงอย่าว่าแต่พวกเราเนี่ยเดินหยอกๆยอกหยกัยกๆยกักนะแล้วก็ไม่ตั้งหน้าเดินแล้วก็บางที เดินได้เท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องผิดนะยังมาสร้างวัจจิกรรมบ่อยๆนะตัวเองยังไม่แตกฉานยังไม่รู้เป็นยังไงแล้วก็ไปกล่าวโทษน่ น, นกล่าวโทษนี่ไม่หยุดสร้างกรรมแล้วมันยังไงไอ้กำรรที่มีอยู่แล้วเนี่ยมันยังดึงเอาไว้อยู่ไปเพิ่มกรรมใหม่แล้วมันจะไปไหนล่ะใช่ไหมเพราะครูมีหน้าที่ให้กําลังใจนะศูนย์นี้เราไม่ได้ค้าขายนะเราไม่ต้องการลูกค้าเยอะๆมาเกกะทาไม นะทำไมพวกคูไม่เลือกบวทถ้าบวทปุ๊บพูดเสียงดังเลยไม่ปล่อยมันไปนอย่างนี้แหละนะใครใช่ก็ใช่ใครไม่ใช่ก็เป็นอย่างงี้เห็นไหมพวกกูก็มีหน้าที่เตือนสติเป็นช่วงๆไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าเราไม่มีฉันทะไม่มีความพึงพอใจกับสิ่งที่เราทำํำวิริยะมันก็ไม่เกิด ถ้าเรามีความพึงพอใจเราก็ขยันไงเรามุ่งมั่นจิตตะก็ตั้งมั่นไงเพราะเราพึงพอใจเมื่อเราพึงพอใจเราก็ใส่ใจนะดูมันใส่ใจมันปุ๊บมันก็เกิดวิมังสาแล้วจะเกิดปัญญารู้เลยว่าเออมันติดขัดอะไรอันนี้ทำไปอย่างนั้นแะเออเเหออย่างงั้นหละเห็นไหมมันก็ได้แค่ที่เราเออเรเหยยังไงมันเป็นหลักธรรมชาติ คือเรื่องนี้เราปฏิบัติแทนกันไม่ได้ไม่ต้องโทษใครนะและไม่ต้องโทษตัวเองด้วยนะไม่มีแม้แต่หนึ่งคนไม่สร้างกรรมมานะชอบโทษโทษนั้นโทษนี้นะแทนที่จะปลดปล่อยเรียนรู้กับกรรมเก่าในอดีตเรามานะแล้วก็สร้างบา ร, รมีทําดีละชั่วขัดเกลาจิตให้โปร่งใสสังเกตไหมเราละชั่วไหมเราคิด เราคิดเผลอที่จะไปเบียดเบียนคนอื่นไหมเบียดเบียนองค์กรไหมเห็นไหมไม่คนอื่นไม่ต้องรู้แค่คิดเฉยๆนี่ก็มนโนกรรมนะนะเราหลอกคนอื่นไนดะ้เราหลอกจิตเราไม่ได้นะแล้วมันจะไปไหนล่ะทําดีแต่ไม่ละชัว่วมันจะไปไหนล่ะมันก็ดึงชักเยือกันอยู่แบบนี้เนาะไม่ต้องโทษใครทั้งนั้นแหละนะถ้าพ่อครูพูดบอกหลายปีแล้วถ้าไม่มีนิพพานเป็นเป้เปาอะไะ คุณหยอกหยกหยักหเนี่ยเดี๋ยววันหนึ่งคุณเจอแน่ๆกรรมที่มันซ่อนไว้อะ น, นะแล้วบวกกรรมใหม่ลังเลสงสัยแล้วก็ไปถ้าลังเลสงสัยเฉพาะตัวแล้วก็คิดวิเคราะห์ตัวเองไม่เป็นไรนะยังไปกล่าวโทษคนอื่นอะไรอะไรเในขณะที่มันไม่ใช่ความจริงก็เป็นกรรมใหม่ไงกรรมเก่าบวกกรรมใหม่มันก็ส่งผลบุญเก่าบวกบุญใหม่ก็ส่งผลนะก็ วันนี้ก็ตอบคำถามที่ถามมานะแล้วก็มีเวลานิดหนึ่งซึ่งอาทิตย์ก่อนพวกพวกครูเกิดเรื่องเนปาล น, นะเรื่องวัชิลายานนะแก้วทิพย์ก็มีโอกาสไปบวชที่นน่นะสำหรับแก้วทิพย์เขาไปปลดล่อยแค่นี้เขาได้เยอะมากนะทีนี้เรื่องนี้จริงๆแล้วพ่อครูเคยพูดมาหลายปีแล้ว แกวทิพย์เขาว่าตอนนั้นพ่อครูพูดเขาไม่ค่อยเข้าใจแต่พอเขาปลดตรงนี้แล้วนี่จิตเดิมเ็าผลขึ้นมาเขาบอกว่าเข้าใจเขาบอกที่พ่อครูสอนนี่สุดยอดที่สุดในโลกนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลำดับภาษานี่ให้มันเป็นขั้นเป็นตอนอะไรๆพวกนี้นะอันนั้นเขาเป็นศาสนาเ้าเป็นองค์กรเนี่ยเขาก็เลยมีจัดระบบตรงนี้นี่เพราะว่าคนเราปัญญาไม่เท่ากันพเออปล่อยเขาทำนะพ่อครูไม่ทา พระครูปล่อยมันเป็นอย่างนี้แหละใครใช่ก็ใช่ใครับไม่ใช่ก็ไม่ใช่นะทีนี้เขาพูดเรื่องอะไรพราะครูบอกแล้วว่าทั้งวชิรยานหรือมหายานเนี่ยความเชื่อกับฮินระยานเราไม่เหมือนกันหินะยานแล้วก็ตอนนี้เมืองไทยแยกเป็นธรรมยุทธ์กับมหานิกายนะก็กำลังบันเลงกันอยู่เธอถูกฉันผิดอย่ว่าแต่คนละศาสนาศนะาสนาเดียวกัน นี่กายเดียวกันนะแต่แยกเป็นคนละจริตก็ยังคุยกันไม่รู้เรื่องจริงๆแล้วถ้าถามพ่อครูมันไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีดีไม่มีชั่วไม่มีพูดแท้ไม่มีพูดเทียมถ้าบอกใครบอกว่าฉันพูดแท้ปุ๊บเกะเกะทันทีเลยพูดปุ๊บกลายเป็นของคู่เลยไงผู้เจ้าสอนให้หลีกเลี่ยงเรื่องของคู่ฉันถูกเธอผิดปุ๊บนี่ก็เกะอีกะ นะมันแรงมากทุกวันนี้ทีนี้ก็อย่างนี้คือทางวาชิรยาณเนี่ยอย่างพระสังฆราชเขาเนี่ยอายุมากกว่าแก้วทิพย์สองปีแล้วก็มีลูกมีเมียถ้าเป็นบ้านเราผิดศีลไหมผิดไหมแล้วตกลงใครถูกใครผิดล่ะเธอมีเมียได้ยังไงเขาถามว่า แล้วเธอทำไมทำไมต้องไม่ต้องมีล่ะทีนี้พระสังฆราชของทิเบตนะ บ, บังเอิญพระองค์เนี่ยองดาลามะพระองค์สวมหมวกสองใบใบหนึ่งเป็นกษัตริย์ต้องมีทายาทไงใบหนึ่งก็ดูแลศาสนาไง ว่าจะทำเขาอย่างนั้นเขาก็เขาก็เป็นอย่างนั้นไงแล้วเรามาเรามาถามว่าแล้วใครถูกใครผิดห่ะถ้าเขาแย้งมาเอาพวกเธอไม่แต่งงานเข่งมากเลยทำมวยทาไมปฏิบัติมา 3-40 ี่ปีแล้วออกไปแต่งงานอีทําไมล่ะถ้าจะพูดกันมันไม่จบนะทีนี้เรื่องที่เชื่อแบบต่างกันมากเลยนี่คือหนึ่งหนึ่ง ทางโน้นเขาเชื่อว่ารวมทั้งมหายานด้วยนะไม่ใช่วัชลี ย, ยาณเฉยๆเนี่ยพระโพธิสัตว์ของเขาเนี่ยสูงกว่าพระอาหารหันต์ก็เป็นพระอาหารหันต์อย่างหนึ่งนะแต่มีมีอุปนิสัยเป็นโพธิสัตว์มีบา ร, รมีมากกว่าเขาก็บอกว่าพระพุทธเจ้าที่เรากล่าวว่านี่กคือพระโพธิสัตว์ เอาทำไมบรรลุธรรมแล้วเนี่ยในวันวิสาขาบูชาเนี่ยก็จบแล้วไงไม่ต้องทําอะไรพระองค์ยังทําไงต้องสร้างศาสนาขึ้นมาประเผยแพร่45่พรรษาเพราะพระองค์เป็นโพธิสัตว์เขาก็เชื่อแบบนั้นแต่บ้านเราบอกว่าไม่พระโพธิสัตว์ยังไม่ถึงอรหรันยู่ในช่วงสร้างบา ร, รมีอยู่แล้วทีนี้ถ้าเราบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเจ้าชายยะเมื่อตัดสู้ธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยแล้วทําไมต้องยังต้องสร้างบา ร, รมีอยู่สมมุติอย่างนี้นะ พระ อ, องค์ไม่ได้สร้างบา ร, รมีพระ อ, องค์อยู่เหนือบุญบาปแล้วพระ อ, องค์ทำํำพร่อทำอันนี้เรื่องหนึ่งนะที่ความเชื่อเนี่ยต่างกันและอีกเรื่องหนึง่งตอนนี้แก้วทิปก็ไปพิสูจน์มาเรื่องนี้พ่อกูพูดแล้วทางโน้นเขาเชื่อว่าพระอริยะเจ้าแม้กระทั่งพระพุทธเจ้าเองกลับชาติมาเกิดขัดแย้งแรงไหม บ้านเราบอกว่าถ้าปฏิบัติเป็นผู้ทิเจ้าแล้วกลับชาติมาเกิดปฏิบัติทำไมยังต้องเวียน่ายตายเกิดเห็นไหมแล้วถามว่าใครถูกใครผิดเพราะครูพูดเรื่องนี้มาหลายปีแล้วว่าถ้าจิตเข้าไม่ถึงจริงๆเลยโดนหลอกเขาไม่ได้กลับชาติมาเกิดแต่เขาเอาวาตารทีนี้คำว่าอาวาตารกับกลับชาติมาเกิดไม่เหมือนกันนะ พรอกูเห็นสิ่งนี้เมื่อ2ี่สกว่าปีก่อนแล้ว่ปีเนี่ยเขาทำให้พวกกูมานั่งดูเรื่องนี้เนาะมีบางดวงจิตเนี่ยรีวายไปแล้วลึกชาติไปสมมติว่าสมมตินะแต่เราพูดพูดกักายเป็นบรรทัานก็ทะเลาะ ก, กันอีกเขาเป็นสัมผัสว่าเขาเป็นพระอาหารหันต์รูปหนึ่งไม่อยากเอ่ยชื่อดีกว่า ล้ ว, วินาทีนั้นเขามาแสดงธรรมนี่เขาเป็นพระอาหารหันต์จริงๆธรรมะไม่ผิดเพี้ยนเลยนะทีนี้ถ้าทางสายวิยญาณเนี่ยเขาเองไปเจอต น, นเขาก็บอกว่าให้เขากับชาติมาเกิดเขาจึงเลือกจิตซึ่งว่ากับชาติมาเกิดนี่มาเป็นพระสังฆราชไงเขาเอาอาดีตเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นทีตั้งนะเขาไม่ได้เอาอาวุโสทางด้านปัญญาแต่พระครูพูดแล้วว่าไม่ใช่กับชาติมาเกิด จิตดวงนั้นที่บรรทุลำแล้วเนี่ยไม่ต้องมาเวียนไหวตายเกิดในสามโลกธาตุแต่ไม่ได้ทิ้งโลกเขาแยกภาคย่อยของเขาเนี่ยมาอาวาตารเราเนี่ยเป็นภาคย่อยของตรงนั้นยังบางทีบอกเฮงเจียงอคงเนี่ยทำไมเยอะจังเลยเต็มบ้านเต็มเมืองพอโทรศัตท์คนอิมเนี่ยไปที่ไหน ข้าทรงก็เต็มไปหมดเลยคือจิตที่บรรลุทำไปแล้วเนี่ยไม่ได้กลับชาติมาเกิดแต่ภาคย่อยของจิตตรงนั้นอวตารมาพวกเราเป็นภาคย่อยของตัวนั้นเราสาไปเรื่อยเรื่อยเราจะเห็นต้นภาคของเราและภาคย่อยแต่ละภาคนี้เป็นกรรมใครกรรมมันเราสามารถไปสัมผัสปัญญาตัวนั้นได้แต่ว่าจิตปัจจุบันเนี่ยบารมียังไม่ถึง เห็นบางคนว่าอุย้ยปฏิบัติมาไม่ลังเลสงสัยแลติดอะไรหนึ่งติดกรรมยังไม่หมดสองบา ร, รมียังไม่ถึงเห็นส่วนหินละยานเราบอกว่าพระอรหันต์ไปแล้วไม่ยุ่งกับชาวโลกอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ท่านทิ้งไปเลยแต่จิตดวงนั้นไม่ได้กลับชาติมาเกิด แต่ยังเพ่งมองอวโลกิเตสวนยังเพ่งมองชาวโลกอยู่ถ้าเราฝึกจิตถึงขั้นนั้นเรียกว่าจิตสื่อจิตเพราะครูยังยืนอยู่เราพระพุทธเจ้ายังอยู่แต่จิตซึ่งเรียกว่าพระพุทธเจ้านั้นไม่ได้มาเวียนว่ายตายเกิดแต่ไม่ได้ทิ้งเราพระเยซูคิดพระศาสดาทุกศา ส, สดานี่จิตดวงนั้นยังอยู่นะ แต่เขาไม่ต้องมาเวียนว่ า, ายตายเกิดในสามโลกกระฐาธนนี้ถึงบอกทั้งสองเนี่ยยกตัว อ, อย่างว่าถ้าไปพูดถึงตอนนี้จิตผู้พุทธเจ้าเนี่ยบางคนเชื่อก็เชื่ อ, อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อเ อ, เอาอย่างนี้ดีกว่าทุกคนได้อ่านพระไตรปิฎกนะทุกคนได้ดูหนังเรื่องพระพุทธเจ้าเนาะเราเชื่อไหมว่าเจ้าชายศัจิธัฏฐะเนี่ยในวันวิสาขาบูชาตัศรุธรรมเป็นสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเชื่อใช่ไหม เชื่อใช่ไหมแล้วจิตดวงนั้นทำไมไม่ไปสู่เมืองนิพพานล่ะทำไมยังอาศัยร่างเจ้าชายสิทธัตถะอยู่อีก45พันศาเห็นหรื อ, อยางนิพพานอยู่ตรงไหนแล้วจิตวนั้นเรียกว่าเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมใช่นิพพานจะไม่ถูกต้องไม่ใช่อรหันธธรรมดาเป็นาศาสดาผู้ยิ่งใหญ่เป็นพระพุทธเจ้าด้วยแล้วทาไมต้องตั้งาศาสนาขึ้นมายุ่งกับชาวโลกอีก45พันษายุ่งไหม อันนี้เห็นเลยนะไม่ใช่ตอนนี้ล่าสังขารไปแล้วยังไม่รู้ว่าท่านอยู่จริงๆถ้าจิตไม่ถึงไม่รู้หรอกก็เอาตอนที่ท่านอยู่นั่นแหละรู้อย่างนิพพานอยู่ตรงไหนสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจนิพพานอยู่ในจิตเรานี่แหละไม่ใช่ท่านยุ่งไม่ยุ่งแล้วไม่ใช่หน้าที่ทุกบังคับมันเป็นเมตตาธรรมมันเป็นมหากรุณาของจิตซึ่งเขาบรรลุแล้วเห็นไม เขาก็ใช้ขันห้าที่เหลืออยู่เนี่ยก็ทําหน้าที่จนถึงวันสุดท้ายเห็นไหมยุ่งชาวโลกไหมแล้วตอนนี้ยังยุ่งชาวโลกอยู่แต่จิตดวงนั้นไม่ต้องมาเวียนว่าจะเกิดแต่ว่าอาวตารของท่านลงมาอาวตารไม่ใช่จิตภาคหลักนะเราเป็นภาคย่อยของตรงนั้นแล้วถ้าทุกคนรีวายไปเรารีวายไปไปสัมผัสตรงนั้นได้ อันนี้เอาพูดถึงแค่ศาสนาพุทธเราเริ่มจากพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันแต่องค์ก่อนๆหน้านี้อีก27็พระองค์พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันที่เรากราบไหว้องค์ที่28อีก27พระองค์ก่อนหน้านี้จะเป็นพระกัสสปะนะพระทีปังกรอะไรเนี่ยก็ไม่มีศาสนานะท่านเหล่านั้นก็บรรลุทําได้อย่างไรมันเป็นของสากล จริงๆแล้วไม่ตงเกี่ยวกับศาสนาไหนแต่ศาสนาพุทธโดยพระพุทธเจ้าเราเนี่ยมันเน้นประเด็นเรื่องพ้นทุกข์เรื่องนิพพานผู้ใดเห็นธรรมผู้นั่นเห็นเราตถาคตไม่ใช่ผู้ใดจบด็อกเตอร์ผู้นั่นจะเข้าใจเราไม่ได้พูดมันถึงเรียนเรียนเรียนกันทั้งหมดก็คือเราไปแปลคาว่านิคำว่ า, วาเอาวิชา แปลว่าคือความไม่รู้อันนี้ผิดผิดมหันเลยผู้ชายทีบอกอย่าเพิ่งเชื่อตำรางลแล้วแปลว่าคือความไม่รู้ก็ไม่เป็นไรแถมว่าคือความโง่ด้วยทุกคนก็กลัวโง่กูเรียนใหญ่เลยเรียนจนจบดอกเตอร์เป็นปริญญาเอกคุยกันไม่รู้ภาษาแล้วตอนนี้กลัวจะเป็นคนโง่ไงเอาวิชาเนี่ยถ้าให้พวกครูเรียกนะ ให้มันใกล้เคียงที่สุดเนี่ยไม่ได้ไปว่าคือความไม่รู้คือความรู้ผิดคือความรู้ผิดความรู้ใดที่แฝงด้วยโลภโกรธหลงและทําให้เราไปสร้างกรรมทําให้เราทุกข์นั่นแหละเรียกว่าอาวิชชาทั้งสิน้นภาสานไม่รู้มันเงินคืออะไรทองคำอะไรมันคิดอยากได้เงินได้ทองไหมมันก็ไม่คิดไง ที่เรารู้เราถึงคิดอยากได้คิดก็มโนกรรมอยากได้จะไปโกหกเขาก็สร้างกรรมเนะ่ยเพราะเรารู้ผิดอ่ะรู้ว่าทองคำรร ม, มันมีราคาก็ดีแล้วมันผิดได้ยังไงผิดเราไปหลงมันเมื่อไหร่เขาขโมยไปเราก็ทุกข์เห็นไหมเขาปล้นเราเขาฆ่าเราก็าพ่นเราเขาจะแย่งทองคําเราใช่ไหมเห็นไหมมันทําให้เราทุกข์แล้วมันคือความรู้ผิดทั้งสิน้นพระพุทธองค์จึงเตือนว่าอย่าเพิ่งเชื่อตําลา อย่าพิ่งเชื่อคําเล่าขานอย่าพิ่งเชื่อคนที่พูดในเป็นครูบาอาจารย์เราเพราะพูดเพราะครูกําลังพูดมันเป็นภาษาภาษามันหยาบเกินไปทุกคนฟังปุ๊บเข้าใจเหมือนกันถ้าเข้าใจมันก็ไม่หลุดไงที่มันหลุดไปเพราะมันไม่เคยเข้าใจเลยมันไม่เคยใส่ใจฟังด้วยมันจึงไม่เกิดปัญญานะฟังแล้วเข้าใจแล้วอย่าพิ่งเชื่อต้องปฏิบัติ เอาความรู้ที่เราฟังมาเนี่ยมาสังเคราะห์ให้กลายเป็นความจริงของเรานั่นแหละเราจะเกิดศรัทธาอันนี้ทำดอกหยกอยากยกล้ากลัวเบื่ออยากเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างแล้วมันจะไปไหนละ่ะทั้งหมดก็คือเราไม่มีศรัทธาตั้งมั่นนะกลัวอะไรก็ไม่รู้กลัวไปหมดล่ะกลัวเสียหน้ากลัวเสียบเบียบกลัวเสียศักดิ์ศรีนะความกลัวทำให้เราเสื่อม มันก็สร้างนิวรณ์ต่างๆเหล่านี้ขึ้นมานะก็วันนี้ก็ให้ข้อคิดเรื่องนิวรณนะ์ว่างๆก็ไปพิจารณาเอาเองนะมันไม่หนีจากนี้หรอกนะนิวรณ์ห้านี่แหละเป็นตัวขวางกั้นทางเดินของจิตนะก็คำสุดท้ายนี่พระครูชอบมากนะนะอาจารย์ตักมอบอกว่าเมื่อความรู้แจ้งยังไม่เมื่อประตูแห่งความรู้แจ้งยังไม่เปิด